แลธรรมเทศนาลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโควัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าปฏิบัติอย่างจริงจังหนทางสู่ความหลุดพ้นและเป็นสุขเมื่อวานวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2554ปลูกพระในวัดของเราปลูกก้อนบ้านเพิ่มไปคารวะ ครูบาอาจารย์มั่งตามประเพณีทุกปีที่ผ่านมาก็ทํากันอย่างนั้นลุงพ่อให้พระไปกรารวะเพื่อเรียนรู้เป็นการทัศนศึกษาบวชเข้ามาทั้งทีคําว่าคารวะรที่รำวัดนะั่นเขาทำกันอย่างไรถ้าเราไม่เคยไปเฉลยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราก็รู้แล้วว่าคารวะธรำวัดครูบาอาจารย์พะระเถระเน่ยเราพูดยังไง อันับแรกก็มหาเทเรปรมาเทนะที่มีอายุพรรษามากต่อมา ก, กับเทเรปรมาเทะเนะแปลว่าพรรษาน้อยลงมาแต่ว่าอาจารยเยปมาเทะเนะแปลว่าคันอาจารย์แปลว่าใกล้ๆกันถ้าได้ประมาทพลาดพังกันอายุพรรษาเล่เรีย ก, กันแต่ได้ประมาทกันก็อัญยัสมันเตปมาเทนะนี่คือการคารวะธรมวัดนอกจากนั้นทำวัดได้ไหม ก็ได้อย่างพ่อแม่ของเราอย่างวันสําคัญวันเกิดของท่านหรือวันเข้าพรรษาหรือวันอสําคัญที่เราจะคารวะพ่อแม่ปีหนึ่งน่าจะมีครั้งหนึ่งเหมือนกันอถ้าพ่อแม่เลี้ยงคู่กันมาตาปิตุเรปมาทเทนะได้ประมาทผาดพังบิดามารดาด้วยกายวาจาขอปิดามันดาโอโหสิให้ด้วยอันนี้ก็ ไม่ผิดกติกาเพราะถือว่าพ่อแม่เป็นพระรหันต์ของบุตรธิดาอันนี้เมื่อเราไปในส่วนพระสงฆ์เมื่อเข้าพรรษาแล้วก็เนี่ยไปกราบไปไหว้พระอุปชาครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าพวกเราเมื่อวานก็ได้ไปครวะทำวัดครูบาอาจารย์ตามประเพณีจากนั้นก็ท่านได้ก็ให้โอวาดสุดแท้แต่องค์ไหนที่ท่านจะพูดจะให้โอวาดได้ ก็ให้โอวาทพวกเราจะได้ฟังได้ศึกษาแนวความคิดของท่านเป็นการทัศนศึกษาไปแต่ละวัดแต่ละวัดไม่เหมือนกันนะวัดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเหมือนกับคนนั่นแหะคนเหมือนกันทําไมเหมือนกันมีอากัปกิริยาต่างกันนี่ค็เหมือนกันวัดก็เหมือนกันนะั่นแหะท่านก็เน้นไปแต่ละอย่างอย่างเราเนี่ยเราน่ยอยู่วัดป่า เอนาชนะอยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายแบก ป, ล ป, ลปลอนๆเนี่ยอันนี้ก็คือการเราจะเน้นเรื่องต่างฝ่ายอื่นเขาก็เน้นเรื่องปริญญาต์คือการเรียนหนังสือนสอบนักธรรมตรีโทเอกแต่วัดของเราเนี่ยไม่เราให้เน้นทางภาคปฏิบัติใครจะศึกษาก็ศึกษาด้วยตนเองจากนั้นก็ปฏิบัติภาวนาเน้นเรื่องภาคปฏิบัติมากกว่า เพราะวเราไม่ได้มุ่งหวังทางโลกแต่ใครมุ่งหวังทางโลกไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้ามุ่งหวังทางโลกไปอยู่ทางนู้นเพราะเรียนปริยัติอย่างนอกก็ยังมีติดมีแง่งแทำทีโทเอกแต่พระกรรมฐานเนี่ยต้องอยู่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจเอาให้ชนะกิเลสตัวเองทาว่ารอๆหลยๆแล้วก็ไปว่า ผิดวัตถุประสงค์และผิดความมุ่งหมายผิดความที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้นว่าพวกเรามาเพื่อภาวนาทางว่าเราเข้ามาไม่ภาวนากิเกียร์ภาวน า, ก, ก, า, วนาก็เลยเปล่าประโยชน์ทั้งสองอย่างปริยัตเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นเราจะอย่าให้เสียในเมื่อเขามาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้แก่ใจว่าเราเข้ามาบวช คราวนี้เราไม่ได้มุ่งหวังทางฝ่ายปริยัตทางโลกเราก็เรียนมาพอสมควรแล้วแต่เราจะไปเรียนอะไรอีกเรียนไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเรียนนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็อยากจะเรียนมาหาปริญญาเราเรียนไปเพื่ออะไรถ้าเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อการศึกษาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสอบเอาขั้นเอาภูมิเรียนแล้วก็การจดจำเอาไว้ในจิตในใจทางฝ่ายปริยัต เกี่ยวกับวินัยศีลวินัยจากนั้นก็พั ส, สูตรก็อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดในตู้คลังพระไตรปิฎกก็อยู่นนที่วัดของเราเนี่ยเต็มไปหมดจะเป็นบาลีและเป็นแหวนแปลยังไงมีกี่เล่มมีกี่โรงพิมพ์ที่เขาพิมพ์ออกมามีในพระไตรปิฎกเพราะนั้นการศึกษาของเราเราไม่คิดว่าด้อยนะ ถ้าเรียนเพื่อรู้แล้วจากนั้นนำมาประพุทธปฏิบัติปรปับปรุงกายว า, ายใจใจของเราถ้าเรียนเอาชั้นเอาภูมิก็ต้องไปเรียนต้องมีครูสอนอีกเรียนแล้วก็ต้องถามตอบสอบให้ได้ น, นั้นก็คือ น, นักธรรมตรีโทเอกของเขา น, นี้เขาขอให้พวกเราให้รู้จักจุดว่าเราเข้ามาบวชครั้งนี้คราวนี้บวชสถานที่แห่งนี้ เรบวชมีจุดมุ่งหมายอะไรนีละเมืม่อวานพวกเราก็ได้ไปทัศนศึกษาดูฝ่ายปริยัตท่าอยู่อย่างไรฝ่ายปฏิบัติดูอย่างไรอันนี้ก็คือทางฝ่ายปริยัตปฏิบัติปริยัตคือการเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติก็คือลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธเจ้า พระพุทธองค์ให้ความสําคัญเรื่องภาคปฏิบัตินี้มากกว่าภาคปฏิบัติท่านถือว่าสําคัญพระในครั้งพุทธกาลยังเข้าไปถามท่านไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะปริยัติกับปฏิบัตินี่สมควรจะเรียนอย่างไรพระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบว่าปริยัติเหมือนกับคนเลี้ยงโคปฏิบัตินี่เหมือนเจ้าของของโค เจ้าของของโคเนี่ยคนเลี้ยงโคไปเลี้ยงแล้วก็เจ้าของคงโคเนี่ยก็เียดีดนมโคมาดื่มเจ้าของของโคนี่ได้ดื่มน้ำนมวัวได้ดื่มน้ำนมโคของตนเองแต่ว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยมีแต่เลี้ยงป้องวัวของตัวเองให้ไปกินหญ้า ด, ดีมีน้ำดีให้นอนที่ดีให้ไปในที่ปลอดภยัย รักษาประครบปรงมฝูงโคข อ, ง, องของนายจ้างแต่พวกเจ้าของวัวเนี่ยเจ้าของของวัวเนี่ยรียด น, นมวัวแล้วก็ได้ดื่มนมของวัวนั่นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นคือปริยัติเนี่ยคือเป็นการรักษารักษาข้ออัดข้อทำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างไรท่านเคยต้องมาเรียนรู้แล้วก็มาจัดระเบียบ ให้รักษาไว้ไม่ให้ขาดเคลื่อนประหยัดเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกส่วนปฏิบัตินี่ยพอเรียนรู้พอประมาณจากนั้นก็นำมาเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติได้รับผลแห่งการปฏิบัติจากนั่นก่อนตัดตัดกิเลสตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จนถึงพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารถึงแดนพระนิพพานอันนี้คือปฏิบัติ ส่วนปริยัติถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับรักษาแผนที่ดูแผนที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไงแผนที่ไปที่ไหนที่ไหนแต่ปฏิบัตินี่พอเรียนรู้แผนที่พอสมควรแล้วไม่ใช่เรียนให้ละเอียดนะอ่ไม่ใช่เรียนทุกเม็ดหินเม็ดทรายทางแยกเล็กน้อยไม่ได้เรียนเรียนแต่จุดใหญ่ๆจากนี้ไปไหนอย่างครับอย่างเราจะไปอุดรเนี่ย เราไม่ได้เรียนถึงทางจากออกจากนาคำน้อยแล้วมันมีทางไปกีดยางเขากี่เส้นทางแยกเข้าไปในหมู่บ้านกี่ทางทางซ้ายทางขวามีอะไรบ้างมีต้นไม้กี่ต้นที่ริมทางมีลำธารอะไรบ้างมีสะพานอะไรบ้า ง, าางต้นมีมันจำปะหลังอยู่ข้างๆมีกี่ต้นฮะไม่ได้นับถึงขนาดนั้นเพียงแต่เราเรียนรู้ว่า จากนี้ออกจากวัดนาคําน้อยเลี้ยวขวาไปถึงบ้านนายูมันมีทางสองแยกให้เลี้ยวขวาพอไปถึงบ้านปากลางมันมีทางแยกเลี้ยวขวาไปสะพานวิ่งไปเลยไปถึงน้ําซึมพอถึงน้าซึมเลี้ยวซ้ายไปถึงบ้านผือนี่แหละคือเอาแต่จุดใหญ่ๆกับจุดที่ที่พวกเราจะจะรู้ได้ แต่ปริยญติเนี่ท่านเรียนท่านศึกษาให้ละเอียดแต่ปฏิบัติพอเรียนรู้ขนาดแล้วก็ลงมือเดินทางเลยเดินทางตามที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเลยนี่แหละอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือปฏิบัติเนี่ยเราจะได้รับมรกรับผลในการปฏิบัติของตนเองแต่ถ้าว่าเรา มีแต่เรียนเฉยเราไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนกับเรารักษาฝูงวัวไว้อย่างนั้นแ่ะแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้รับผลแห่งการปฏิบัติเพราะนั้นให้พวกเราทางบอกพวกเราไม่ปฏิบัติแล้วไปยังไงมันก็เปล่าประโยชน์อยู่เฉยๆเหมือนกับดูแผนที่รู้แผนที่แล้วตัวเองปฏิบัติจะเดินจะเดินเจะเดินจะเดินอยู่อยู่กับที่ มีติคิดว่าจะเดินจะเดินจะเดินจะเดินมันจะไปที่ไหนได้มันอยู่กับหมอนกับที่นอนเท่านั้นอยู่กับข้าวต้มข้าวหนุนมอยู่เปปซี่โค้กน้ำแข็งโกโก้กาแฟ <c oughs> มันก็อยู่อยู่แถวนั้นแหละงั้นแหละมิเตจะไปจะไปเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ทานนะให้ตัอกตั้งใจนั่งเอาจิงเอาจังนั่งภาวนาปฏิบัติพวกเราจะได้ริมรถ แห่งพระธรรมที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ถ้าว่าพวกเราได้ริบรสพระธรรมแนละ้ลึกซึ้งนะถอนไม่ขึ้นแต่ปริยัติเนี่ยพอเรียนเรียนไปแล้วยังสงสัยอีกนะสงสัยแผนที่อีกเอ๊แผนที่ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะั้นจริงหรือเปล่านะนโกหกคนเล่นนะโกหกมาเป็นทอ ด, ทอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะสงสัยอะไรแต่ถ้าว่าได้ลงมือปฏิบัติแล้ว พอจิตเป็นสมาธิแล้วจิตรวมเป็นสมาธิแล้วมั่นใจใเออใช่ตำราของพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นี่จริงวะ่พะพอนั่งเขาไปจิตไปรับความสงบจริงวะ่ะนี่แหละเจ๊งนั่นแตพอจริงนําก็ถอนไม่ขึ้นเพราะเหตุไรเพราะเราได้ปฏิบัติได้ริมรถพระธรรมแต่ถ้าว่าเราแต่เรียนปริยัติธรรมเท่านั้นน่ะ เขาพูดมีเหตุผลเหนือกว่าเขวได้ง่ายๆเหมือนกันนะะเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้คือกรรมฐานเนี่ยพระก็คือพระกรรมฐานเนี่ยที่เป็นหลักแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่าผู้ที่ปฏิบัติก็จริงมีอยู่ไม่น้อยแต่แต่โดยมากปฏิบัติแต่่วาจะไปจะไปแล้วจะไปจะไปแต่ไม่อยู่ไม่ไปที่ไห น, นยอยู่ก็ที่น่ะจุดนี้นมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวนี้ รับพรอนโมทนาให้พร